ขอนอบน้อมต่อคุณพระธนตรัยโอกาสพระอาจารย์ไพศาลพระเทลานุเทละเพื่อนสะทีธมิกทุกท่านจเจริญธรรมแม่ทีและญาติธรรมทุกท่านในสมัยพุทธกาลนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงอนัตตะลักษณะสูตรให้แก่ปัญญวัคคีได้ฟังแล้ว ก็ได้บรรลุเป็นพระรหัตทั้งหมดแล้วก็ในเมืองสาวัตในเมืองพาราณสีนั้นมียักษากุรบุตรซึ่งเป็นบุตรชายของเศรษฐีมหาศารซึ่งมีความร่ำรวยมากได้สร้างอาปราสาทสามหลังหรือปราสาทสามมือดูเพื่อให้ยะะักษะกุรบุตรอยู่ แล้วก็มีนางขับร้องนะเล่นดนตรนะีเป็นการให้ความสุขครันนี้มีอยู่คืนหนึ่งนะก็หลังจากที่ยศ ะ, ะนอนหลับไปแล้วตื่นขึ้นมาในกลางดึกนั้นได้พบเห็นนางที่มาประคมดนตรนะีหลับนอนด้วยกิริยาท่าทางที่ดูแล้วไม่เรียบร้อยบางนางก็น้ำลายไหล ก็เกิดความสังเวชใจเกิดความสลดใจนะก็เลยอนะคิดว่าที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องอันนี้เราจะเห็นว่าเออเป็นคนที่มีบา ร, รมีนะที่เขาคิดเช่นนั้นได้ถ้าพวกเราเห็นเนะี่ก็คงจะไม่มีความคิดเช่นนั้นแ น, น่นอะนนะขณะเราเห็นยิ่งมานั้นเราก็ยังไม่มีความคิดนะแบบแบบยศะะกุลบุตรเลย แล้วก็เดินออกจากประตูเมืองพาราณสีตรงไปที่ป่าอีสีปัตนาเมลิกไทยวันในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงเดินจงกรมอยู่ยาาักษากุลบุตรเดินไปก็บ่นไปที่นี่ขัดข้องที่นี่วุ่นวายพระพุทธเจ้าได้ยินฉะนั้นก็บอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายยาาักษากุลบุตรก็เลยได้ฟังาะนั้นก็เลยไปหาพระพุทธเจ้า พระเจ้าก็เลยส่งแสดงอนุปปภิกถาให้ฟังแล้วก็ลิยสัตสีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมคือเป็นพระโสดาบันหลังอย่างในนั้นตอนเช้าต่อมานมานดาของยศก็เลยไปตามหาบุตรชายบนประสาทก็ปรากฏว่าหายไปก็มาแจ้ง <c oughs> มาแจ้งให้เศรษฐีได้ทราบเศรษฐีก็เลยส่งคนใช้ไปตามหาในที่ต่างๆ ตัวเองก็ออกตามหาด้วยแล้วตัวเองก็เดินทางมาถึงไปศิปตนะมฤคทายวันได้พบรองเท้าทองของยัศะาวางอยู่ที่พื้นก็เลยสงสัยว่าน่าจะอยู่ที่นี้ก็เลยไปไปกราบผู้เจ้าถามว่าเห็นยัศะกุลบุตรไหมผู้เจ้าบอกอขอให้นั่งฟังธรรมะก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะได้พบกับยัศะ แล้วก็ได้ทรงแสดงอนุปพิกถาและอริยสัจสี่ปรากฏว่าเศรษฐีก็ได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันแต่ในขณะที่ทรงแสดงอ็ิคั้งที่สองนั้นอจาาัสะาก็ได้ฟังธรรมอยู่ด้วยก็ก็สามารถทบทวนธรรมมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระรหันต์ซึ่งหลังจากนั้นเศรษฐีก็มองเห็นพยาสายครั้งหนึ่งแล้วก็ชวนยัษศั์กลับบ้าน พระเจ้าบอกว่าขณะนียาา้ยศะสิ้นอาสวะกิเลสแล้วก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วจะกลับไปครองเรือนเช่นเดิมไม่ได้อีกในขณะนั้นเศรษฐีนะเป็นพระโสดาบันก็มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะก็เลยประกาศตนนะเป็นอุบาสกซึ่งนับถือพระนารายตลอดชีวิตก็นับเป็นอุบาสกคนแรกในพุทธศาสนา ที่นำถือพระตันตะไตยแล้วก็ได้นิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมทั้งพยัสสะให้ไปฉันพระตาหารที่บ้านพยัสสะก็เลยอขอบวชในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ประทานการบวชเป็นเอหีภิกขุประสัมอุปสมมาให้แล้วก็หลังนั้นก็ในวันรุ่งขึ้นก็ได้พาไปบินธบไปที่ที่บ้านเศรษฐีเพื่อที่จะไป ชนะันพระตาหารแล้วก็ได้โปรดนะมารดาและอดีพยาของพยาสะโดยการแสดงอนุปุพิกถาและอาเลสสตนะีทั้งสองก็ได้บรรลุเป็นพาคโซดาบันนะแล้วก็ได้แสดงตนเป็นอุบาสิกาคู่แรกในโลกที่ถึงพระตนะตัยหลังอย่างนั้นนะก็มีเพื่อนของพยาสะ อีกสที่อยู่ในตัวเมืองอก็มามาเฝ้าพระเจ้าก็ได้ฟังอนุปพิกถาและอเลสสัตว์4ี่ก็บรรลุเป็นพระโสดาบันและหลังจากนั้นก็มีเพื่อนของพยาศักที่อยู่ในโชลมบทอีกห้าสบก็เข้ามาฟังธรรมจากพระเจ้ า, จาอันนี้ก็เกิดจากการชักชวนของพยาศัสดิ์เหมือนกันก็บรรลุเป็นแสดงอนุปปิกถาและอริสสัตว์ี่ หลังนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันและเป็นพระลหันทั้งหมดเลยเพราะนั้นในขณะนั้นก็มีพระลหันทั้งหมดหกสิบองค์รวมพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นหกสิบเอ็ดองค์ก็มีกลุ่มของพยัสสะห้าสิบห้าปัญญวัคคีห้าก็เป็นหกสิบพระพุทธเจ้าอีกหนึ่งก็เป็นหกสิบเอ็ดพรพุทธเจ้าก็เลยประชุมสงฆ์แล้วก็ส่งพระอาหันในขณะนั้น อออกไปเผยแพร่ธรรมในทีต่ต่างๆแล้วก็ห้ามไปพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันสององให้ไปเพียงหนึ่งองเท่านั้นเพราะว่าพระมีน้อยในยุคแรกที่ไปเผยแพร่นั้นท่านบูใดที่ต้องการจะบวชพระก็ต้องพามาหาพระเจ้าเพื่อบวชให้แต่พระเจ้าเห็นว่าไม่สะดวกก็เลยอนุญาตให้อสามารถบวชกันเองได้ อันนี้จุดสําคัญที่ต้องการที่อาชีเห็นว่าในยุคนั้นพระพุทธเจ้าแสดงให้แก่ผู้ที่ฟังก็คืออนุปุปภิกถานและเลือสัตว์สี่หลังจากที่ฟังแล้วก็บรรลุเป็นพระโสดาบันได้แทบทั้งนั้นเลยและประการสําคัญการแสดงอนุปุปภิกถานและเลือกสัตว์สีนั้นเป็นการแสดงกับมนุษย์ซึ่งเป็นครือัด จะไม่แสดงแกพระภิกษุสงฆ์หรือเทวดาทั้งหลายเพราะฉะนั้นปุพพิสถานอนุปุพพิกสถานี้จึงมีความสำคัญอย่างไรในการที่ฟังแล้วเนี่ยและฟังริขสัตว์สีก็สาบาถบรรลุเป็นพระโสดาบันได้แทบทั้งนั้นอนุปิอนุปุพพิกสถานั้น <c oughs> ก็เป็นการพลาลนาในเบื้องต้นนะห้าประการก็คือ การให้ทานการรักษาศีลสวรรค์โทษของกรรม <c oughs> แล ะ, ะการพัฒนาถึงอเนสง์ในการออกจากกรรมครั้น <c oughs> ในเบื้องต้นเนี่ยเรื่องทานเรื่องทานนี้ในยุคนั้นชาววินญี้นิยมกันมาก ดังจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลนั้นแม้แต่ที่พระพุทธเจ้าได้ส่งออกมาใหม่ๆในสมัยที่ยังสแสวงหาทางพ้นทุกข์อยูนะ่ก็มีการไปบินนาบัดตามที่ต่างๆเพื่อที่จะได้รับอาหารนั้นมาหรือแม้แต่นักบวชในยุคนั้นนะก็มีการไปบินนาบัดในที่ต่างๆเช่นกันหรือแม้แต่ในพระวินัยของพระพุทธเจ้าที่บัญญัติในภายหลังนะก็บัญญัติห้ามห้ามภิกษุ ที่ไปรับอาหารในโรงทานติดกันสองวันติดกันไม่ได้ <c oughs> ก็คือเมื่อรับแล้วต้องเว้นไป1หนึ่งวันยกเว้นภิกษุไข <c oughs> นะ่ก็แสดงว่าในยุคนั้นต้องมีโรงทานอยู่เยอะมาก <c oughs> อันนีนะ้ก็แสดงถึงว่าในสมัยนั้นคุอินเดียนิยมให้ทานกันนะก็เลยเกิดประเพณนนีในการที่มีการบินทบาทต่างๆนะไม่ต้องนะ ปุงอาหารด้วยตัวเองนะแต่เป็นนะการที่เราสามารถที่จะไปรับอาหารต่งตางๆได้นะก็เป็นการให้ทานกันโดยทั่วไปนะแต่การบินนบัดในยุคนั้นก็ไม่เหมือนกับยุคนี้นะคือไม่เหมือนกับเมืองไทยในยุคนี้นะเพราะว่าเมืองไทยในยุคนี้นะมีผู้ที่ทําทานเนยเยอะมากพระไปบินนบาตก็สมมากก็ชาวบ้านก็จะรอใส่นะแต่ในยุคอินเดียสมัยนั้นพระนี้ต้องไปยืนรอนะยืนรอ ยืนรอนี่ก็ต้องดูว่าเออเขาจะใส่ไหมนะบางบางบ้านก็ใส่บางบ้านก็ไม่ใส่นะต้องยืนรอสักพักใหญ่ๆนะจริงจะไปบ้านอื่นๆได้นะบางบางบ้านถ้าเรารู้แล้วว่าเขาไม่ใส่เราก็สามารถที่เว้นไปบ้านอื่นได้เลยนะครั้งนะี้เมื่อมาย้อนดูอีกครั้งหนึ่งในการถือทุดงควัดนะสิบสามข้อก็จะมีข้อว่าบินทบาตตามลาดับนะบินบาตตามลาดับหมายความว่า ถ้าผู้ใดที่ถือธู ด, ดงเข่งพัดนะก็จะต้องไปยืนทุกๆบ้านเลยนะถึงแม้ว่าบ้านเขาไม่ใส่ก็ต้องไปยืนก็คือการบินาบาตตามลําดับนะต้องไปยืนรอสักพักหนึ่งนะถ้าก็ไม่ใส่แล้วก็ไปยืนบ้านต่อไปนะจะเว้นบ้านก็ไม่ได้นะเว้นบ้านก็ถือว่าไม่ได้ถือธู ด, ดงกขวัต <c oughs> เพราะฉะนั้นการบินาบาต <c oughs> ในอินเดียนั้นก็ในสมัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ลําบากมาก อันนี้ก็เคยประสบการณ์ด้วยตัวเองเหมือนกันในตอนที่ไปประเทศสีลังกาตอนนั้นก็ไปบินบาตเหมือนกันนะก็ไปบินบาตคนเดียวแล้วก็ไปบินบาตรในเส้นทางที่คงยังไม่ค่อยมีใครไปบินบาตเหมือนกันนะก็ไปยืนรอยืนรอเขาใส่บาตรไหมนะบางบางคนนี่พอเห็นปับ๊บเขาก็หลบเข้าไปในบ้านก็มีนะเออครั้นี้เราก็ต้องอ่าชังใจดูว่าหลบไปแล้วเนี่ยเขาจะออกมาใส่บาตรไหมหรือจะไม่ใส่ ยืนรอแล้พักหนึ่งบางบ้านก็เปิดประตูมาใส่นะแต่บางบ้านยืนรอต้องนานเขาก็ไม่ใส่ก็มีนะอนะ่เราก็ต้องผ่านไปบ้านเนดินๆนะนนี้เป็นการย้อนยุคได้สัมผัสบรรยากาศย้อนยุคว่าสมัยพุทธกาลนั้นก็คือบินตาบะเช่นนีนะ้ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนกับเมืองไทยนะครา้ น, นี้แสดงว่าการทําทานนะมีเยอะมากในยุคนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็เลยอนิสงส์นะ พนันาในสง์ในการให้ทานต่างๆนะก็จริงๆแล้วถ้าการให้ทานทัพุไดที่ให้ทานได้ถูกต้องก็เป็นการละความตนันหนีเอความโลภนะจักใจเราอย่างแท้จริงนะเป็นการปฏิบัติธรรมในระดับหนึ่งเลยเพราะถ้าผู้ที่มีความตนันหนีมีความโลภแล้วผู้นั้นก็ไม่อยากจะให้ทานนะในทางตรงข้ามทัพผู้ใดให้ทานได้อย่างถูกต้องก็คือการให้ทานนีนะ้เป็นไปเพื่อการละ ความโลภความตะนีในใจเราอันนี้เป็นการที่เรียกว่าเราชำระกิเลสได้ในระดับหนึ่งแล้วและการให้ทานที่ถูกต้องก็คือเราไม่หวังสิ่งใดจากการให้ทานไม่ใช่ว่าเราให้ทานแล้วขอให้ข้าพเจ้าร่ํารวยขอให้ถูกลอตเตอรี่หรือขอให้ใหได้สวรรค์อันนั้นอันนั้นยังไม่ถูกต้องอันนั้นเรายังมีจิตแห่งความโลภอยู่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ว่าบุญนั้นก็จะได้น้อย นะและการให้ทานนี้เมื่อให้แล้วก็คือขาดจากเราไปแล้วนะเราไม่ต้องไปดูว่าเออเมื่อให้แล้วพระจะฉันไหมพระจะใช่ไหมอันนั้นก็ยังไม่ขาดจากเราเพราะการให้ทานก็คือเป็นการให้ทานไม่ใช่เพื่อจะเอานะถ้าเราไปเอามันก็ยังเป็นของเราอยู่มันก็ไม่ขาดนะเพราะ ก, การให้ทานที่ถูกต้องก็คือเมื่อให้แล้วก็จบไปให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่นไม่ใช่ทาไปเพื่อหวัง อาบุญกุศลใดๆทั้งสิ้นแต่เป็นการทําเพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้อื่น น, นี่จึงเป็นการให้ทานอย่างแท้จริงต่อมานในยุคนั้ น, นการรักษาศีลก็คงมีอยู่เยอะเหมือนกันนะเพราะศีลห้านี้ก็เกิดมาจากในยุคที่พระเจ้าในยุคล่กๆนั่นแหล ะ, ะเพราะนั้นการรักษาศีลห้านี้ก็คงจะมีมาในยุคนั้นอยู่แล้วเพราะการรักษาศีลห้านี้ก็ถือว่าเป็นความปกติของสังคม ถ้าหากว่าจริงๆแล้วน่ในในยุคเรานะถ้าหากว่าเรานับถือผู้ศัสิทธจริงๆเรามีศีลห้าประจําใจแล้วตํารวจก็แทบจะไม่ต้องมีเลยนะโจรผู้ร้ายก็ไม่เคยมีหรอกแต่ว่าในยุคเรานี้ถือว่าเป็นการรักษาศีลเพียงแค่คําพูดเท่านั้นเองะหรือเป็นชาวพุทธแค่ทะเบียนบ้านเท่านั้นอ่เพราะอยาว่าแต่การปฏิบัติธรรมเลย ไม่ได้ศีลห้าก็ยังรักษากันกับห้องกับแพ่งเป็นส่วนใหญ่หรือแทบจะไม่ได้รักษากันเลยอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับยุคนั้นเพราะฉะนั้นเราบางคนก็สงสัยทําไมยุคเราไปบัตรธรรมกันไม่ค่อยบรรลุธรรมอไม่ค่อยที่จะเข้าถึงความเป็นพระริยาเจ้าะแต่สมัยนั้นทําไมเข้าถึงกันเยอะแยะอันนี้เพราะว่าจริงๆก็ต่างกันะในเรื่องต่างๆเยอะในสภาวะแวดล้อมะโดยเฉพาะในเรื่องศีลนี่แหละะ ของเรานี่ก็คงจะอ่าต่างจากสมัยนั้นเยอะมากทีเดียวอต่อมานะก็คื อ, อพูดถึงเรื่องสวรรค์อืก็คือในชาวอินเดียในยุคนั้นะการทําบุญทําทานการรักษาศีลหรือการปฏิบัติธรรมอะไรส่วนใหญ่ก็เพื่อที่จะไปสวรรค์ก็เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องการที่จะไปอยู่ <c oughs> กับอพระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะเพื่อที่จะไปสวยความสุขในสวรรค์ นะแสดงว่าความเชื่อในเรื่องสวรรค์ของเขาเนี่ยมีอยู่จริงนะมีความปรารถนาที่จะไปสวรรคนะ์เป็นการที่เรียกว่าเขาทําบุญเพื่อหวังสวรรค์กันนะก็เลยต้องพานันาถึงสวรรค์ด้วยเพราะว่านี่ก็เป็นอานิสงส์ที่ว่าจะทําให้ชักจูบเขานะทําความดีได้ง่ายขึ้นนะแต่ถ้าเขาทําดีแล้วนะก็ไม่มีรางวัลตอบแทนเขาก็คงไม่อยากจะทําความดีตั้งหลายนะเพราะฉะนั้นเขาก็ มีความหวังว่าทำไปแล้วเนี่ยจะได้ขึ้นสวรรค์ต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็ถือว่ายังเป็นการทำเพื่อหวังสิ่งตอบแทนอยู่ก็ยังไม่ใช่การให้ทานหรือการรักษาศีลที่เป็นความบริสุทธิ์ใจจริงๆต่อมาก็ได้ทรงพูดถึงเรื่องอโทษของกรรมโทษทางกา ร, รมก็คือกา ร, รมกรรมนีน้มีอยู่ในอะไรบ้างกรรมก็คือ การในรูปรสกลิ่นเสียงผดทธพธระมรมหรือที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดการรวมทั้งสวรรค์ด้วยเพราะสวรรค์ก็คือการมาพจรก็คื อ, อเป็นสถานที่ของกามนั่นเองน ะ, ะผู้ที่ขึ้นสวรรค์ก็จะได้ไปเสพกามมากมายมีความเพลิดเพลินในรูปรสกลิ่นเสียงผดทธพธรรมรมป่ารถนาสิ่งใดก็สามารถในลมิตขึ้นมาได้ก็เป็นกามทั้งหมด พระพุทธเจ้าก็เลยอ า, อาพัฒนานิสถึงเรื่องโทษของกามให้เห็นว่ากามจริงๆแล้วนมีโทษมากนะมันก็ในต่อมาก็มีพระสูตยอยู่ส่วนหนึ่งก็บอกว่าดูก่รพรสูตรทั้งหลาย ผ, ผู้ผู้ใดที่เพลิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโสดพะธรรมลมผู้นั้นชื่อว่าเพลิดเพลินอยู่ในความทุกข์ผู้ใดเพลิดเพลินในความทุกข์ เราก่าวว่าผู้นั้นจักไม่พ้นจากความทุกไปได้ผู้ใดที่ไม่เพิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐะพระธรรมผู้นั้นชื่อว่าไม่เพิดเพลินอยู่ในความทุกขผู้ใดไม่เพิดเพลินอยู่ในความทุกข์เราก่าวว่าผู้นั้นจักพ้นจากความทุกไปได้เนี่ยก็คือไม่ให้เพิดเพลินอยู่ในกามนั่นเองนะและการที่ไม่เ <comme> พิดเพลินในกามก็คือการออกจากกามนั่นเอง เพราะนั้นในต่อมาก็ได้พูดถึงเรื่องอ น, นิสงฆ์แห่งการอ่อย ก, า, กามหรือในขมมะนะก็คือการอ่อย ก, า, กามในทางกายก็คือการออกม า, ออกมาบวช <c oughs> การอ่อย ก, า, กามในทางใจก็คือการที่ไม่เพลิดเพลินไปในกามทั้งหลายอันมีรูปรสกลิ่นเสียงผดทพะทำอารมณ์เป็นต้นเนี่ยก็คือการ อ, อารา่อยกามอ น, นิสงฆ์นี่มีมากมายนะก็คือเป็นผู้ที่ สามารถที่จะชำระ ก, กิเลสได้ในระดับหนึ่งทำให้จิตใจมีความสุขมากขึ้นเช่นว่เ า, าเอามาบวชแล้วเนะี่ยเราก็จะมีความสงบกายสงบใจมันตัดสิ่งที่จะเข้ามาปรุงแต่งได้ง่ายขึ้นถ้าเราอยู่ไปในทางโลกนี้สิ่งปรุงแต่งก็มีอยู่มากมายทำให้เราตัดได้ยากเป็นหนทางที่เรียกว่ามันเป็นความเนินช้า ที่พระองคนทรงยกตัวอย่างต่อมาในระยะหลังๆเหนะมือนกับเปียบเหมือนกับไม้ไม้ที่ชุ่มอยู่ด้วยยางแล้แช่อยู่ในน้ำจะนำมามาถูกันเพื่อให้เกิดไฟย่อมเป็นไปไม่ได้ไม้ที่ชุ่มอยู่ด้วยยางวางอยู่บนบกจะนำมาสีให้เกิดไฟก็ไม่ติดแต่ถ้าไม้ที่แห้งไม่มียางแล้ววางอยู่บนบก นำมาสีไฟก็สามารถเกิดไฟได้ชั้นใดนะเพราะนั้นผู้ที่ชุ่มอยู่ได้นะย่างก็คือชุ่มอยู่ในกามนะเพลิดเพลินในกามหรือมีตัณหานั่นเองในขณะนั้นนะแล้วก็อยู่ในทางโลกด้วยก็คือมันก็อยู่ในน้ำโอกาสที่จะบรรลุธรรมจึงเป็นไม่ยากนะแต่ถ้าจิตที่ยังชุ่มอยู่ในกามมาอยู่ในที่แห้งเช่นมาอยู่ในวัด แต่จิตก็ยังติดเพิดเพลินอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงโผฏฐพะธาธรรมณ์จะสีให้เกิดไฟบริบัติธรรมให้บรรลุธรรมก็เป็นความยากตราบใดที่จิตนั้นไม่เพิดเพลินในกามก็คือเป็นจิตที่ไม่ชุ่มอยู่ในยางไม้นั้นไม่มียางวางอยู่บนที่แห้งเช่นอยู่ในวัดหรือในสถานบริบัติธรรมต่งตางๆก็มีโอกาสที่จะเกิดไฟลุกขึ้นมาได้คือการบรรลุธรรมก็เป็นไปได้ ชั้นใดก็ชั้นนั้นนะอันนี้คือออา น, นิสงส์แห่งการออกจากรามนั่นเองนะเท่าออกจากรามในทางกายไม่ได้ก็สามารถออกจากรามในทางใจได้เพราะว่าเราอยู่บ้านเรานะจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถทําบ้านให้ใครกับวัดหรือสถานปฏิบัติธรรมได้นะสิ่งที่ทำให้เราเพลิดเพลินทั้งหลายแหละเราก็อย่าไปสนใจอย่าไปดูอย่าไปฟังนะอย่าไปติดอย่าไปคล้องนะ เมื่อเราไม่สนใจไม่เพลิดเพลินนี่ก็คือเราออกจากกรามแล้วก็เหมือนกับจิ่ตของเราเหมือนกับไม้ที่ยางไม่มีแล้วนะก็สามารถที่จะสีเกิดไฟได้ฉันนั้นเหมือนกันนะเพราะฉะนั้น <c oughs> ชาวพุทธส่วนใหญ่นี้ดูแล้วก็ยังอยู่ในระดับแค่ทานและศีลเท่านั้นเองนะการที่จะเห็นโทษของกามนั้นมีน้อยมากนะยกตัวอย่างไม่ต้องไกลนะอย่างวันพระ ทันก็จะมีผู้ที่มาถือศีลกันถือศีลแปดที่วัดใ น, ในช่วงกบับรรษาจะมีอยู่กลุ่มหนึง่งนะแต่ก็ก็มาเพียงแค่ถือศีลเท่านั้นนะที่จะแบบทํานี่ก็มีน้อยนะอันนี้ไม่เฉพาะวัดเราวัดทั่วทวไปเป็นแบบนี้แทบทั้งนั้นนะก็คือมาแค่รักษาศีลเท่านั้นแต่ไม่ช่วยโอกาสในการปฏิบัติธรรมเพื่อที่จะออกจากกามนะเพราะว่าการออกจากกามเป็นเรื่องยากนะเป็นเรื่องที่ว่าฟื้นกิเลสตัวเอง นะก็เลยไม่คิดที่จะออกากิจการนะเพราะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าได้ส่งแสดงอนุปูปิคฐานนี้ก็เหมือนกับเป็นการเตรียมความพร้อมของจิตใจของผู้ที่รับฟัง <c oughs> เหมือนกับผ้าที่โดนมาซักให้สะอาดแล้วนะหลังจากนั้นก็จะได้ย้อมติดนะแต่ถ้าผ้าที่ยังโสโครกอยู่ก็จะย้อมไม่ติดฉันใดนะการเตรียมจิตใจให้พร้อมที่จะรับฟัง อ่าพระธรรมที่สําคัญคือเล ส, สสัตตีก็ต้องเกิดขึ้นฉันนั้นเพราะฉนั้นเมื่อผู้ที่ฟังอนุปุพพิคถาก็จะเกิดการเตรียมพร้อมเกิดความศรัทธาที่ยอมจะกล้ามและหลังนั้นก็ได้ทรงแสดงเล ส, สสัตตีซึ่งเป็นหนทางสู่ความพ้นทุกข์ซึ่งเขาก็มีจิตใจพร้อมอยู่แล้วที่รับฟังเมื่อทรงแสดงเล ส, สสัตตีผู้นั้นก็สามารถที่บรรลุเป็นพระรยาเจ้าในระดับพระโสดาบันได้อย่างไม่ยาก อรียกัรศีก็มีมีมีทุกข์นะทุกข์ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้นะอทุกข์ก็มีความทุกข์กายทุกข์ใจนะมีความทุกข์ในความที่เราจะต้องประสบนะจากการที่เราเกิดมาแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายเป็นสิ่งธรรมดาเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยไม่แต่คนเดียวนะเป็นความทุกข์ปัจจําสังขารที่เราจะต้องมองเห็น นะแต่ก็น่าแปลกใจว่าทําไมบางคนมองไม่เห็นในสิ่งนี้นะก็มีความเพลิดเพลินอยูนะ่มีความมัวความเมาว่าตัวเองจะไม่ตายหรืออย่างไรนะก็จึงประพฤติสิ่งต่างที่มันไม่ใช่เป็นหนทางที่จะทําให้ตัวเองนะออกจากความทุกข์แม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่ก็เห็นอยู่แล้วว่าเมื่อเกิดมาแล้วมันมีความทุกข์ก็เห็นอยู่แล้วนะมันต้องมีความแก่ความเจ็บความตายนะในโรงพยาบาลก็มีคนป่วยกันมากมาย นะมีคนตายเห็นอยู่มากมายทำไมไม่มองเห็นในสิ่งเหล่านีนะ้ที่มองไม่เห็นในสิ่งเหล่านี้ก็เพราะว่าเขามีมิจฉาทิฏฐิปิดบังอยู่นะมิจฉาทิฏฐิก็คือความที่เขาไม่เชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นส่วนใหญ่นะไม่เชื่อในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดนะไม่เชื่อในเรื่องบาบุญคุณโทษต่างๆเหล่านี้เป็นประเด็นที่สาคัญที่ปิดบังอยูนะ่เพราะนั้นาพระแสดงในเรื่องพวกนี้เขาก็จะไม่อยากจะฟังนะแต่ถ้าเมื่อใดที่มี สิ่งที้เขาเพลิดเพลินได้ง่ายอ่าเช่นถ้าเอาธรรมะมาเปิดพร้อมกับละครหลังข่าวนี่อ่า 99% ก็จะไปดูละครกันนะอ่เหลือแค่ 1% ก็มาดูสิ่งที่เป็นสาระนี่แหละอ่าอันนี้ก็เรียกว่าคนเรามีมิจฉาทิฐิอยู่แล้วนะเมื่อมีมิจฉาทิฏฐิอยู่แล้วความเป็นมิจฉาทิฏฐินั่นแหละจะนําไปตรงไหนนะอันนี้ก็มีพระสูตรที่พระเจ้าได้ตัดไว้ว่าผู้ที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเมื่อ ถ, ถึงแก่ความตายพระกายแตกดัด ย่อมเข้าถึงทุกติวินิบาตรนรกเ <c oughs> นะพราะฉนั้นผู้ที่เป็นมิจฉาิตินั่นก็คือเข้าสู่วินิบาต์นรกนั่นเองนะเพราะจิตของเขาก็จะใยจะหาจะเพลิดเพลินออยู่ในกามอยู่ในกิเลสตัณหาแล้วก็สร้างกิเลสตัณหาไม่มีที่สิ้นที่สุดนะแม้แต่ไม่สร้างด้วยกายด้วยวาจาก็จะสร้างด้วยใจอยู่เสมอนี่แหละเป็นหนทางแห่งความไปนรกนะเพราะฉะนั้นอคนเรานะถ้ามองไม่เห็นความทุกข์ แล้วเนี่ยก็จะไม่หาทางที่จะพ้นออกจากความทุกข์ไปได้อเพราะฉะนั้นเมื่อไม่หาทางพ้นจากความทุกข์ก็เหมือนกับเราติดในกรงนะในกรงขังที่จะขั้งเราไว้ตลอดชีวิตแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเราอยู่ในกรงขังเราคิดว่าเออในกรงขังไม่มีความสุขน ะ, อ, ะอันนี้ก็คือพืน้นพูดที่ไม่มีปัญญานั่นเองนะส่วนที่ผู้ที่มีปัญญาก็จะเห็นว่าเออจริงๆในเราโดนขังอยู่ตลอดเวลาเลยนะ อ, อการขังกรงขังของเราก็คือวัตถุสงสารอันยาวไกล เพราะไม่ใช่ว่าเราตายเราจะพ้นทุกข์สักที่ไหนนะชีวิตหลังความตายยังมีอีกยาวไกลตราบใดที่เรายังไม่สิ้นกิเลสในทุกวันนี้นะเชื้อกิเลสในใจเราเพียงเล็กๆน้อยๆก็นําให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดไม่มีที่สิ้นที่สุดนะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์สักครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีที่มหาศาลแล้วนะเราได้ยังพบพระพุทธศาสนาได้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอันนี้ก็ถือว่าเป็นลาบที่ยิ่งใหญ่ในโลกนี้นะ แต่ผู้ใดที่ไม่ช่วยโอกาสนี้มาอ่าชำระใจให้หมดจิตกิเลสไปผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่อ่าหลงโง่งายนะเป็นผู้ที่เสียชาติเกิดขึ้นมาชาติหนึ่งเพราะการที่เราจะเกิดเป็นมนุษย์อพบุสัตว์นี่เป็นสิ่งที่ยากมากนะะคราวนี้ปรประเด็นแรกก็เห็น่าความทุกข์นี่แหละมีอยู่จริงความทุกข์ทางกายทางใจนะปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นความทุกข์นะ เน่ความทุกข์นี่มีอยู่ตลอดเวลาเลยในทางกายและทางใจแต่ว่าเรามองเห็นไหมนะความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็นําให้เรามีความทุกข์ไปสู่การฆาตตายก็ยังได้เลยนะแต่ความทุกข์ทางใจเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จ ะ, ะทำให้กระโดดไปได้นะเหมือนพระละหันนี่แหละพระลานนั้นก็มีแต่ความทุกข์ทางกายก็คือสังขารที่มีความทุกข์ไปมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่ใจของท่านของท่านก็ไม่มีความทุกข์นะ จิตของเรานะเราสังเกตไหมว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาทางใจบ่อยๆนะในความยินดียินร้ายนั่นแหละเราสามารถรู้เท่าทันไหมเราออกจากเข้าได้ไหมเราไม่ไปเพลิดเพลินในความยินดีได้ไหมไม่เพลิดเพลินในความยินร้ายได้ไหมตรงนี้เป็นประเด็นที่ว่าเราจะต้องรู้เท่าทันอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อเรารู้เท่าทันอารมณ์ที้เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่ไปเพลิดเพลินในการอารมณ์เหล่านั้น นะไม่ว่าจะเป็นรูปลดกลิ่นเสียงผดทพัทธมร ม, มซึ่งนี่แหละก็คือตันหาในระดับหนึ่งอันเรียกว่ากามตันหาซึ่งอยู่ในข้อสมูทยัยนะสมูทยัยนะก็คือความที่เพลิดเพลินเอาไปในร่มต่างๆไปอย่างยิ่งอันนําให้มีการเกิดใหม่ได้แก่นั้นที่ราคะคือความเพลิดเพลินในการมตันหาคือรูปลดกลิ่นเสียงผดทพัทธมร ม, มเนี่ยถ้าเราไม่เพลิดเพลินแล้วความทุกข์ในใจของเราก็แทบจะหมดไปนะ เพราะว่าความเพิดเพลิเหล่านั้นมันนำความทุกข์มาให้เราแต่เราไม่รู้หรอกว่ามันนำความทุกข์มาให้เรานะนะยกตัวอย่างง่ายๆเนาะอย่างผู้ชายไปเห็นผู้หญิงที่สวยงามนะเราก็ไปยึดแล้วโอ้เราชอบคนนี้นะเรารักคนนี้ทั้งๆ ท, ที่ผู้หญิงเาก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยเลยแต่เราไปยึดไว้ก่อนแล้วว่าเราชอบเรารักเขานะพอผู้หญิงวันนี้ไปพูดคุยกับผู้ชายคนอื่นนะเราก็เกิดความนะไม่พอใจเกิดความทุกข์ เกิดความหึงหวงขึ้นมาทั้งๆ ท, งที่ผู้หญิงก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่เมื่อเราไปยึดแล้วนั่นแหละเรามีความทุกข์เองเราไปให้ค่ากับสิ่งนั้นเองนี่แหละคือความเพลิดเพลินทางรูปแต่เรารู้ไม่ทันมันก็เลยไปปรุงแต่งเป็นเวทนาคือความยินดีเกิดตัณหาคือความไปยึดเกิดประทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปนั้นว่าเป็นของเราเป็นตัวเป็นตนของเราหลังจากนั้นก็เกิดภพ เกิดชาติเกิดอ่าทุกขโทรมนักตา ม, มามากมายนะเพราะว่าเราไปยึดเอาไว้เป็นอุปทานนั่นเองอ น, นี่ก็คือความเพลิดเพลินไปในรูปต่างๆนะอความเพลิดเพลินในเสียงก็มีอยู่เยอะซึ่งนําความทุกข์มาให้เราทั้งนั้นนะเพราะฉนั้นถ้าเราเ ข, <c oughs> เข้าใจในตรงนี้เราก็อ่าจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย <c oughs> สมุทัยก็คือความเราไปเพลิดเพลินในอาการมตัิหา เพราะนั้นสิ่งที่ต้องข้ามแบบความเผยเผก็คือความที่เราไม่เผดเผยนั่นเองนะคือความที่เร า, ารู้เท่าทันอความที่เราไม่ไปยินดีล้ายในรูปรดกลิ่นเสียงต่างๆ น, นั่นก็คือการที่เราไม่ไปให้ค่าอไม่ไปสนใจไม่เกี่ยวข้องด้วย <c oughs> อันนั้นก็คือการที่เราสามารถที่จะรู้เฉยๆในทุกๆสภาวธรรมะการรู้เฉยนั้นก็คือการสักแต่ว่านั่นเองนะสักแต่ว่า อันนี้ก็คือความพ้นทุกข์อย่างประเด็นสําคัญเช่นที่พระพายะที่พวกเราเคยฟังมาแล้วมากมายน ะ, ะผู้ใดที่สามารถสักแต่ว่าในะอารมณ์ต่างๆที่เห็นไดนะ้ผู้นั้นก็สามารถเป็นพระหรหันได้เหมือนกับพระพายะนะซึ่งมันก็คงไม่ยากนะเพียงแต่ ว, ว่าเราอาจจะ ย, ยังไม่ถึงระดับหนึ่งที่เราจะสักแต่ว่าได้เท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นการที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนให้เรารู้เฉยรู้ซึ้งต่างๆเหล่านี้นี่แหละคือหนทางแห่งการสักแต่ว่านั่นเองนะ นะถ้าเรากระทบอารมณนะ์ในทางรูปรสกลิ่นเสียงผลิภัพฑ์ธรรมอารมณ์เราเรารู้เฉยรู้ทื่อซ่อไม่ให้ค่านี่แหละเป็นหนทางที่ว่ามันรัดสั้นนะมันเป็นทางสั้นมันเป็นมรรค ท, ที่สั้นที่สุดแล้วเพื่อให้ใจเกิดเบิกขาธรทำนะความเป็นเบิกขานนั้นท่านว่ามันเป็นการละกินเหลวได้เร็วเท่ากับกับหิบตานะเป็นวินัยนะในพระยเจ้าที่สั้นรัดสั้นที่สุดในการที่จะบรรลุธรมนะรมะะนั้นขอให้ทุกท่านบรรลุธรรมโดยเร็วพนันทุกท่านเถิด